นิวรเหล่านั้นเรียกว่าเครื่องกลางกั้นจิต ด, ดุดหมอกเป็นต้นปิดบังดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นนก็คือทําให้หมอกหรือเมฆหมอกเป็นต้นปิดกั้นไม่ให้พระจันทร์สว่างสวัยไม่ให้พระอาทิตย์สว่างสวัยฉันใดนิวรนทั้งหลายก็ฉะนั้นปกปิดปิดกั้นไม่ให้ปัญญาเจริญ ง, งอกเงยฉะนั้นไม่ให้ปัญญาสามารถที่จะศาสส่องแสงสว่างแห่งปัญญาได้อย่างเต็มที่นั่นก็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 ไม่เข้าไปอาศัยทิฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะคือโสดาปฏิมัติอย่างนีน้ไม่เข้าถึงความนอนในคันก็คืออนนาคามีมัตต์เป็นตน้นนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าอาศัยพื้นฐานได้เมตตาพรหมิหารเป็นฌานนั้ผู้ที่จะละนิวรได้อย่างน้อยก็อย่างเช่นละด้วยปฐมฌานปฐมฌานเหล่านั้นเป็นไปกับเมตตานะ เป็นไปกับเมตตาอากุศลธรรมทั้งหลายก็เข้าไม่เข้ามาเบียดเบียนจิตใจเมื่ออกุศลธรรมทั้งหลายไม่เข้ามาเบียดเบียนจิตใจด้วยอำนาจสมถะอย่างนี้แล้วก็อบรมเจริญวิปัสสนาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายโดยอนุปัสสนาเป็นต้นแล้วก็สมถาวิปัสสนาเคียงคู่ก็โสดาปติมักก็เกิดขึ้นก็ตัดความเยื่อใยเนี่ยตัดทิฐิได้เสร็จแล้วก็ตัดความเยื่อใยที่ติดตามไตรธาต หมายความว่าตัดคือว่าเลิกเลิกกาหนัดเลิกพอใจเลิกมีความหวังเลิกมีความต้องการในกาลมาพบรูปประพบและอารูปประพบกาลมาท่ารูปประท่าและอรูปประท่าด้วยอริยมรรคทั้งหลายที่เหลือนะนะคือว่าตัดตันหาราคาได้แล้วก็ความเยื่อใหญ่นั่นแหละเรียกว่าเป็นโทษโทษก็คือความเยื่อใหญ่ความเยื่อใยในทุกนั่นแหละทําให้ออกจากทุกไม่ได้ความเยื่อใยในภพนั่นแหละทําให้ออกจาก พบไม่ได้ก็ต้องตัดความเยื่อใยอันเสียออกจากพบไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่กับพบเดิมๆตลอดไปนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนนะในจุลนิเทศภาษาริบุตรอธิบายว่าละแล้วซึ่งนิวรณ์ทั้งห้าประการความว่าพระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นละสละบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ไม่มีซึ่งกรารมฉันทานิวรณ์ ทำให้ไม่มีซึ่งพยาบาทนิวรณ์ทีนามิท่านิวรณ์อุทจากักกุกุจานิวรณ์เสร็จแล้วก็สงัดจากกรามสังัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดแต่วิเวกน่ น, นะเพราะว่าปฐมฌานนะเป็นเครื่องอข่มนิวรณ์ได้อย่างดีนนนะอนุภาคของปฐมฌานถ้าหากว่าไม่ถึงระดับฌานเนี่ยการข่มนิวรณ์นี่ก็ข่มได้ไม่ดีจริง น, น, นะแม้กระทั่งอย่างข่ม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 ความปองร้ายความมุ่งร้ายความขัดเคืองความกโกรธตอบความเครืองความเครืองทั่วเครืองเสมอท่านใช้คําว่าเครืองนี่ก็ตรงดูเคยระคายเคืองต่างๆาไหมถ้าระคายเคือง่างๆเป็นยังไงดูอะไรสนกุกไหมใจของเราก็เหมือนกันท่ า, าว่าเราเครืองเรื่องใดเรื่องหนึ่งสัก อ, อย่างหนึ่งมันก็หลังนั้นนะอักเสบทางความคิดก็เลยเดือดร้อนนะครับเนี่ยหรือบางทีก็ความชังอะนะชังก็คือชิงชังชิงชังทั่วชิงชังเสมอแห่งจิตเนี่ยนะถ้าทั้งชิงทั้งชังด้วยก็ว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 สรุปว่าพระปเจกับพุทธเจ้าละแล้วซึ่งนิวรณ์าที่เป็นเครื่องกลางกั้นจิตสลัะเสียแล้วซึ่งเครื่องเศร้ามองจิตอันตันหาและทิฐิไม่อาศัยตัดเสียซึ่งความรักและความชังเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอนและตรงนี้เน้นพิเศษก็คือเน้นการละสมุทยัยสัจจะนั่นเองเลือกชามก็เลยได้เป็นพระปเจกเลยนะถ้าเลือกราชสมบัติก็ไม่แน่